ส่วนปัญหาขึ้นวักใหม่เลยนะสัพพัญยุตยาณวัคนะนะพระเจ้ามิลินถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านาเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความโค่นี้ไว้ว่าเอตทักขังพิกขเวมมาสาวกานังภิกขูนางอิติมันตานังยดีดังมหาโมคลาโนุดูก่อนพิสูทั้งหลายพระมหาโมคคลาณะจัดว่าเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งเป็นสาวกของเราั้นนะ ในบรรดาผู้ที่ถึงสุดยอดของผู้มีฤทธิ์ถึงสมาธิบารมีเนี่ยนะถึงกระสุดยอดของผู้ที่เขามีมีสมาธิเนี่ยพระโมคคัลลานะเป็นเยี่ยมและยังได้ยินอีกเรื่องหนึ่งว่าประเด็นที่ขัดแย้งมีว่าพระมหาโมคคัลลานะนั้นถูกพวกโจรใช้ไม้ค้อนทุบตีเอาจนสีสะแตกกระดูกเนื้อเส้นเอ็นแหลกละเอียดร่างกายฉีกขาด เรีก ว, ว่าเหมือนกับอะไรนะหักปนละเอียดเหมือนข้าวสารเหมือนกันแล้วก็จนหลังท่านก็ปริณิพานด้วยอาภารต น, นพระคุณเจ้านากเกษณ์ถ้าหากว่าพระมหาโมฆลลานะเนี่ยเป็นผู้ถึงจุดสุดยอดแห่งฤทธิ์จริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าท่านถูกพวกโจรใช้ไม้ค้อนทุบตีเอาอ่ะจนปริณิพานก็ย่อมไม่ถูกต้องมีฤทธิ์ยังไงให้ถูกตีได้หเหมือนกันนะเนี่ยเหาะเหินโดยอากาศได้ก็แค่เหาะหนีโจรทำไมจะทำไม่ได้อย่างนั้น ถ้าหากว่าท่านถูกพวกโจรใช้ไมค้อนทุบตีเอาจนปริณิพานจริงใส่ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าท่านเป็นผู้ถึงยอดแห่งผู้มีฤทธิ์ดังนี้ก็ไม่ถูกต้องท่านไม่สามารถใช้ฤทธิ์ขจัดการทําร้ายตัวเองได้หรือไรท่านควรจะเป็นที่พึ่งของชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาได้ไม่ใช่หรือก็แปลว่าท่านเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งแห่งชาวโลกและเทวโลกได้แล้วทําไมเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะทำไมช่วยตัวตัวเองกั็แค่นี้ก็ทําไม่ได้ หลายครั้งก็ลงไปนรกเอาข่าวในเรื่องราวในนรกมาเล่าให้พวกญาติที่อยู่ในมนุษย์ฟังบ้างบางครั้งก็ขึ้นไปในเทวโลกเอาเรื่องในเทวโลกมาเล่าให้พวกมนุษย์ฟังบ้างใกล้แค่หอกหนีโจรทำไมทาไม่ได้จะไปยากอะไรใช่ไหมมันน่าจะไม่ยากนะบังนั้นปัญหาข้อนี้มี2งเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด พระนาคเสงก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความคอนี้ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหาโมคคลานะจัดว่าเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งเป็นสาวกของเราอะ่ะจริงอันนั้นในเอตทักฆะในเอกานิบาตพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นจริงและท่านพระมหาโมคคลานะก็ถูกพวกโจรใช้ไม้ค้อนทุบตีเอาจนปรินิพานเนี่ยจริง ก็แต่ว่าข้อนั้นย่อมเป็นไปเพราะกรรมที่ฉกฉวยโอกาสที่ถูกทุบ ถ, ถูกตีเนี่ยเพราะกรรมกรรมก็คือกรรมอะไรครั้งหนึ่งนะในอดีตชาติพระโมกขลานะเนี่ยเป็นคนทีเ่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่ผู้ตาบอดสองเท่าตาบอดท่านก็เลี้ยงดูใจรักกระตันอยู่กับพ่อแม่ก็ชีวิตนี้ก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดไปทีนี้ท่านก็ทางานทั้งในป่าทางานทั้งในบ้านในการอุปถัมภ์ พ, พ่อแม่ นี้พ่อแม่ก็สงสารลูกอะนะก็เลยบอกว่าเออน่าจะมีครอบครัวมาช่วยหุงข้าวต้มแกงอะไรที่อยู่ที่บ้านนะลูกก็ได้ทางานที่ป่าก็กลับมาก็ไม่ต้องมาคอยมัวพวงในเรื่องการทำกับข้าวเพราะฉะนั้นควรจะมีครอบครัวได้แล้วก็ท่านก็บอกยาเลยจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยตัวเองนี่แหละก็หลายครั้งผ่านไปเนี่ยนะก็พ่อแม่ก็เศร้าซอยู่นั่นหลายครั้งหลายครั้งก็อดใจไม่ได้ก็เลยในที่สุดก็ได้แต่งงาน ได้หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นที่รักมากก็แต่งงานแต่เพราะได้ผู้หญิงที่มาอยู่ด้วยกันเนียวันสองวันแรกก็ช่วยอุปถาคพ่อแม่ตาบอดเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายวันผ่านไปก็ชักรำคาญ ร, รำคาญสองเท่าตาบอดละทำไงดีนะจะให้ผัวเอาพ่อแม่เขาไปฆ่าซะคิดในวางแผนตายก็คิดได้ว่าแกล้งเอะอะโวยวายเลยนะว่าคือ นางก็แกล้งเช่นว่าวันบางวันเนี่ยเอาข้าวเนี่ยแฉะแฉะเนี่ยไปให้พ่อแม่ใช่ก็บน่นพ่อแม่ก็บน่นเออนี่ลูกหุงข้าวแฉะไปมัง้งก็ได้ถือโอกาสได้เก็บช่องอันหนึ่งวันหลังก็หุงข้าวไม่สุกให้มันแข็งโปกเลยนะี่แหละก็บอกเนี่ยโอ้ยลูกมันแข็งไปหน่อยมั้งเนี่ยนะน่าจะนิ่มกว่านี้อ่อนกว่านี้นะบอกอุย้ยเลี้ยงยากผู้เท่ากันเลี้ยงยากเหลือเกินเนี่ยนะ คงให้นี่ก็อ้างแชะมั่งเดี๋ยวก็อ้างว่าแข็งมั่งที่ไหนได้ก็แผนของตัวเพราะท่านตาบอดนะท่านก็ไม่เห็นเลยเสร็จแล้วก็เล่าให้สามีฟังค่อยๆส่ อ, สอเสียดไปวันละเล็กวันละน้อยพ่อแม่ของท่านอย่างนั้นเลี้ยงยากอย่างนี้ก็ว่าไปวันทีละวันสองวันสามวันไปเรื่อยๆในที่สุดก็บางวันนางก็แกล้งเลยเอาข้าวเนี่ยไปเทราดเต็มบ้านไปหมดเสร็จแล้วสามีกลับมาจากที่ทงางานวันนี้ไม่เห็นไหมพ่อแม่ของท่านเนี่ยทำแบบนี้จะให้ฉันทนอยู่กับเธอได้ยังไง ในที่สุดก็ออกแผนว่าเธอจะเลือกเอาฉันหรือเอาพ่อแม่ก็ไอตอนต้นมันก็รักพ่อรักแม่ใช่ไหมตอนหลังก็ลืมก็เลยเออก็คงเลือกเธอนะเอาแล้วทําไงกันดีกันนี่ก็ก็ฆ่าพ่อแม่เธอซะเนี่ยทไงในที่สุดก็ออกอุบายได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยญาติบ้านนู้นเนี่ยเขาคิดถึงพ่อแม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยไปเยี่ยมเขาหน่อยอเดี๋ยวลูกจะพาไปเองพ่อแม่ก็ดีใจว่าอยากคิดถึงก็เลยพาไป พาไปถึงป่าเนี่ยนะก็บอกพ่อแม่พ่อทางนี้มันโจรเยอะนะพ่อนั่งให้ดีๆระวังให้ดีนะเสร็จแล้วก็ไปพอไประดับหนึ่งบอกพ่อพ่อขับเกวียนเหรอพ่อถือเชือกเกวียนเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะไปเดินคอยคุ้มกันโจรเองอีกพักหนึ่งก็เสียงเออะโวยวายเนี่ยนะบอก โ, อโจรมาแล้วโจรมาแล้วก็เลยม า, มาทุบมาตีพ่อแม่ก็ได้แต่พูดว่า อ่าลูกนี้ไปลูกนี้ไปเนี่ยนะลูกนี้ไปลูกนี้ไปตัวเองก็ยังแกล้งเออะเป็นโจนนั่นแหละทุบตีจนในที่สุดก็บอกว่าลูกนี้ไปก็ท่านก็สงสารพ่อแม่แกล้งเป็นว่าโจนเนี่หนีไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่ว่าโอ้พ่อแม่ถูกตีอย่างงั้นอย่างนี้ก็เลยเอากลับไปเลี้ยงไม่กี่วันพ่อแม่ก็ตายตายเพราะความเจ็บปวดที่ถูกตีนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมนะถือว่าเป็นผลผลิตของการฆ่าถึงไม่ตายขาที่ก็ถือว่าเป็นอะไรถ้าไม่ถูกทุบมาจะตายหรือ เป็นตองเขถือว่าอ า, าพาธที่เกิดจากการเบียดเบียนท่านท่านก็ตกเป็นอนันตริยกรรมถูกตกนรกหมกไหมเนี่ยนะแล้วก็ถูกฆ่าอย่างนี้แหลกเป็นปง ม, มาแล้วประมาณร้อยชาติประมาณพันชาติสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะโจรก็มาล้อมท่านอยู่ที่กาลาสิลาที่ใกล้เมืองราชครึกเนี่ยนะกาลาสิลาท่านก็เหาะนีไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็โจรก็มาอีกคือเดียร์ถีเนี่ยเขามามาคิปปรึกษากันว่าพระพุทธศาสนาทําไมเจริญรุ่งเรือง ทำไมจึงเจริญรุ่งเรืองก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมาเนี่ยเขาบอกว่าเพราะพระโมคขลานะแท้ๆพระศาสนาจึงรุ่งเรืองเอาเพราะอะไรเขาบอกเพราะพระโมคขลานะเดี๋ยวก็เอาเรื่องในนรกมาเล่าให้คนบนมนุษย์ฟังเดี๋ยวก็เอาเรื่องเทวดามาเล่าให้ฟังคนก็เลยเลื่อมใสเพราะนนั้ถ้าเรากําจัดพระมหาโมคขลานะได้ผู้ศาสนาคงสูญคงจะจบภายในไม่นานนี่แหละก็เลยเออก็ทำไงดีก็เลยไปจ้างโจนประมาณห้าร้อยคนเนให้ไปวางแผนฆ่าพระมหาโมกขลานะ พอไปก็ไปดักซุ่มพระโมคคัลลานะรู้ท่านก็เหาะหนีไปเหาะหนีไปครั้งที่หนึ่งเหาะไปทางรูกุญแจบ้างเหาะไปทางช่อฟ้าบ้างครั้งที่สามท่านรู้ว่ากรรมมาถึงท่านแล้วท่านก็เลยไม่ยอมไปไหนมันโจรบุกเข้ามาก็เลยทุบตีท่านจ้าละเอียดเลยมา้งเนี่ยกระดูกเนี่ละเอียดเป็นข้าวสารหากักแล้วก็จับโยนทิ้งไว้ที่กองขยะแห่งหนึ่งพอโจนทนไปท่านก็ประสาน ร, ริดเนี่ยนะประสานเป็นริดแล้วก็เหาะไปไ ป, ไปลาทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพาน ทีนี้พระเจ้ามิรินก็บอกเอ๊ะมันบอกว่ากรรมช่วยโอกาสพระเจ้ามิรินบอกไม่เห็นด้วยก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าธรรมะสองอย่างคืออิทธิวิสัยของท่านผู้มีฤทธิกับการผลิตผลของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอาจินไตเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ใช่หรือสิ่งที่เป็นอาจินไตก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นอาจินไ ต, ต, ส, นนไตสิขจัดกรรมก็อาจินไตฤทธิก็อาจินไตแม่มมันน่าจะเข้ากันได้พอดีใช่ไหมกรรมอาจินไตมาก็ใช้ฤทธิ์ที่เป็นอาจินไตเหอะนี้เลยอย่างไงย มันน่าจะแก้ปัญหาได้นะพระคุณเจ้าเปรียบเหมือนว่าบุคคลผู้ต้องการผลไม้ก็ใช้กิ่งมะขิดตีผลมะขิดใช้กิ่งมะม่วงตีผลมะม่วงฉันใดพระคุณเจ้าพระธีรก็ควรใช้สิ่งที่เป็นอจินไต้โบยตีขจัดสิ่งที่เป็นอจินไ ต, ต้สิธนาเกษตก็เต่าว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษสิ่งสองอย่างแม้เป็นอจินไต้ที่ไม่ควรคิดด้วยกันอจินไตแ้แปลว่าไม่ควรคิดเนี่ยนะไม่รู้คิดไปทําไม แต่อย่างหนึ่งมีปริมาณมีกำลังยิ่งกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมีกำลังแรงมากอีกอย่างหนึ่งกำลังอ่อนอีกอย่างหนึ่งกำลังแรงขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าพระราชาแม้เป็นผู้มีชาติเสมอกันเหล่านั้นพระราชาพระองค์หนึ่งใช้พระราชาอำนาจครอบงำพระราชานอกนี้ทุกพระองค์ได้ฉันใดคือพระราชาใหญ่กับพระราชาเล็กใช่มพระราชาที่ใหญ่กว่าก็ต้องข่มพระราชาที่ เล็กกว่าอย่างสมัยไรก็ชัดเจนว่าถ้าประเทศใหญ่ๆอภิมหาอำนาจก็ครอบงาประเทศได้พัฒนาได้ไม่ยากนะฉันใดขอถวายพระพรบรรดาสิ่งที่เป็นอาจินไตเหล่านั้นการผลิผลของกรรมนั่นเทียวมีปริมาณยิ่งมีกําลังยิ่งกว่าการผลิผลของกรรมนั่นเทียวย่อมทําอํานาจให้เป็นไปครอบงําถึงสิ่งที่เป็นอาจินไตได้ทุกอย่างพุทธวิสัยเป็นอาจินไตใช่ไหมพระเจ้าก็ป่วย เพราะกรรมมันมันอาเินตายที่มีกําลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลถูกกรรมครอบงำแล้วกิจที่ควรทำที่เหลือย่อมไม่ได้โอกาสฉะนั้นผนท่ากรรมครอบงำกรรมที่ตามมาถึงแล้วเนี่ยจะหลีกหนีไปไหนขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความผิดกฎหมายบางอย่างเท่านั้นมารดาบิดา ของเขาก็ดีพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรสหายก็ดีช่วยป้องกันไม่ได้แต่ทว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระราชานั่นเที่ยวทรงใช้พระราชาอำนาจครอบงำเขาได้หมายว่าคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะญาติพี่น้องทำอะไรได้แต่ถามว่าคำสั่งพระราชาทำได้ไหมได้ถามว่าอะไรเล่าเป็นเหตุในเรื่องนั้นตอบว่าก็คือความเป็นคนทำผิดของเขาฉันใดขอถวายพระพร บรรดาสิ่งที่เป็นอาจินตายเหล่านั้นการผลิตผลของกรรมนั่นเทียวมีปริมาณยิ่งมีกำลังยิ่งกว่าการผลิตผลของกรรมนั่นเทียวย่อมทำอำนาจให้เป็นไปครอบงำสิ่งที่เป็นอาจินตายได้ทุกอย่างโดยที่สุดแม้แต่ผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมเมื่อบุคคลถูกกรรมครอบงำแล้วกิจควรทำที่เหลือย่อมไม่ได้โอกาสฉะนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมื่อไฟป่าลุกเหือขึ้นมาเนือ้อแผ่นดินน้ําสักพันหม้อก็ไม่อาจใช้ดับไฟได้นะไฟใหญ่จริงๆเลยนะเอาน้ําพันหม้อที่ไหนไปดับได้เมื่อเป็นเช่นนั้นไฟนั่นแหละย่อมทําอํานาจให้เป็นไปครอบงําสถานที่นั้นถามว่าอะไรเป็นเหตุในข้อนั้นเล่าตอบว่า ความที่ไฟมีกำลังยิ่งกว่านั่นเองฉันใดขอถวายพระพรมหาบาพิษบรรดาสิ่งที่เป็นอาจินไตเหล่านั้นการผลิตผลของกรรมนั่นเที่ยวมีปริมาณยิ่งมีกำลังยิ่งกว่าการผลิตผลของกรรมนั่นเที่ยวย่อมทำอำนาจให้เป็นไปครอบงำสิ่งที่เป็นอาจินไตได้ทุกอย่างเมื่อบุคคลถูกกรรมครอบงำแล้วกิจ ที่ควรทําที่เหลือย่อมไม่ได้โอกาสฉะนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระมหาโมกขลานะถูกกรรมครอบงำพอถูกพวกโจรใช้ไม่ค้อนทุบตีเอาจึงหาการแผลงฤทธิ์ไม่ได้ก็โอ้โหกรรมนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะแรงมากถึงขนาดว่าฤทธิ์ยังทําอะไรไม่ได้เลยเหะก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากรรมนี่มันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะกรรมที่เมื่อหลายร้อยชาตินูน่นทุบตีพ่อแม่ กรรมเหล่านี้ก็ไม่เลิกราเพราะฉะนั้นท่านถึงจะเป็นเอตทักฆะด้านมีฤทธ์ก็ถูกทุบตายอย่างเนี้ยมาเป็นร้อยชาติเนี่ยนะมาเป็นร้อยชาติถ้าถ้าหากว่าท่านไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะคงถูกทุบอีกนานเนี่ยนะคงถูกทุบอีกหลายชาติคือกรรมที่ทำหนึ่งครั้งเจตนาหนึ่งเจตนามันให้ผลครั้งเดียวไหมไม่เหมือนอะไรเหมือนต้นไม้ปลูกในที่ดินดีเนี่ยน ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ปลูกเพราะในดินที่ดีถามว่ามันให้ผลเป็นลูกเดียวใช่ไหมอย่างมะม่วงปลูกในที่ดีๆปลูกเมล็ดเดียวเนี่ยกินชั่วลูกชั่วหลานเหมือนกันนะกินชั่วลูกชั่วหลานฉันใดบุญก็เหมือนกันถ้าทําในานาดีบุญก็ส่งผลหลายกับฉันใดหรือบาปทํากับผู้มีคุณเป็นต้นคือพ่อแม่เนี่ยนะแค่ชั้นครั้งเดียวชาติเดียวก็ทุกเจ็บปวดแสนสาหัสอีกหลายชาติเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบาปกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วเนี่ยนะว่าจะไม่ให้ผล ถึงจะไปอยู่ในฐานะผู้มีฤทธิ์เป็นต้นกรรมเหล่านั้นก็ไม่ยอมเลิกลาพระเจ้าเมรินก็บอกว่าดีจริงพระคุนเจ้านากเกษณรครพระเจ้าขอยอมรับคำที่ท่านกล่าวมานี้ น, นะก็ยอมรับ น, นะอนุโมทนาด้วยเห็นด้วยส่วนในอัตถกถาที่กล่าวถึงอาจินไตใน อังคุตระิกาจตุการิบา ท, ที่พระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายสิ่งที่เป็นอจินไตยสี่อย่างไม่ควรคิดสีอย่างเนี่ยนะซึ่งสิ่งทั้งสี่สิ่งเนี่ยที่ผู้ใดคิดเข้าไปก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าหรือลำบากใจเปล่านะคิดไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าคำว่าบ้าก็คือคิดไปก็ฟุ้งใจเดือดร้อนใจเปล่าสี่อย่างอะไรบ้างดูก่อนพิสูจนทั้งหลายหนึ่งพุทธวิสัย อ่า น, นะคิดความสามารถของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเราเออพุทธเจ้าทําอย่างนั้นได้ยังไงมีความสามารถเป็นต้นอ่า น, นะก็คือศึกษาเพื่อความเคารพเพื่อความบูชาแต่ไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าพระองค์ทําอย่างนั้นได้ยังไงทําอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าโมจะคิดอย่างนี้ก็ลําบากใจเปล่าส่วนชานวิสัยวิสัยของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่คิดไปก็ฟุ้งซ่านว่าท่าน ท่านเหาะได้ยังไงอะไรได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรเอามาคิดอย่างที่สามเขเรียกว่ากรรมและผลของกรรมว่ากรรมนี้ทําตั้งแต่เมื่ อ, อไรแล้วมันจะต้องให้ผลอีกกี่ครั้งเนี่ยนะมันให้ผลจริงหรือเป็นต้นอ่ะคือคิดในในบางด้านเนี่ยไม่ควรคิดหรือว่าเออขณะที่จักขูวิ ญ, ญญาณเกิดเนี่ยทำกรรมเนี่ยทำเมื่อไหร่ทําที่ไหนทําเมื่ อ, อไหร่ทําอย่างไรถ้าไม่รู้นะไม่ยอมไม่ยอมเชื่อเรื่องกรรมเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะ คำพูดที่อะไรนะกรรมเนี่ยไม่ได้ตามมาเหมือนรถไฟลอกอย่างหลายๆคนที่เขาพูดนะคือบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมยิ่งคิดยิ่งฟุง้งซ่านนะที่ที่การตรึกเรื่องกรรมการพิจารณาเรื่องกรรมรู้ได้เพียงเพียงบางส่วนที่พระพุทธเจ้าแนะนําเท่านั้นเองเช่นกรรมสิบสองเนี่ยตามที่พระองค์ได้แนะนําไว้เท่านั้นแต่จะไปรอบรู้อย่างละเอียดเนี่ยนะถามว่ารู้ได้ไหมยากเนี่ยนะ อย่างแม้กระทั่งในเรื่องของร่างกายของเรานะี่ยคิดถึงอาหารชรูปในร่างกายของเราเราจเจริญเติบโตได้ด้วยอาหารใช่ไหมเออถอดเล็บมาอันหนึ่งแล้วบอกว่าไหมว่าไอ้เล็บอ่ะนะผงนี้เอามาจากข้าวผงนี้มาจากน้ําผงนี้อเป็นข้าวมือนั้ น, นอ่ะตรงเนี้ยเอ่อโปรตีนอันนี้มาจากเนื้อชิ้นนู้นจากตรงนู้นถามว่าไล่ได้ขนาดนั้นไหเช็คได้ขนาดนั้นไหมเนีย่ย ก็ว่าอย่างหลายคนเนี่ยนะใช้ชีวิตการครองชีพที่อยู่เนี่ยเป็นผลของแรงงานของตัวเองที่ทำงานมาใช่ไหมจึงมีการใช้จ่ายบาทนี้ที่ใช้เนี่ยเช่นบาทเนี่ยที่ค่าค่าอาหารเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยบาทนั้นทำงานวันไหน <c oughs> ขยับตัวตรงไหนตอนขยับมือหรือขยับเท้าหรือตรงไหนอ่ะมันจึงให้ผลมาเป็นอย่างนั้นอ่นะหรือชาวนาบางคนเนี่ยเขาถามว่าเขาทานข้าวที่ข้าวปลูกเองเนี่ยเขารู้ไหมว่าเป็นข้าวที่เขาปลูกเองบอกเขารู้เขารู้ได้ไหมว่าไอ้เมล็ดนั้นเนี่ยปลูกตรงไหนรู้ขนาดนั้นไหมไม่รู้เรื่องกรรมก็เหมือนกันมันถ้าเราจะไปเช็คละเอียดแบบพระพุทธเจ้าคิดเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยแต่รู้ได้ในบางส่วนมันเรื่องกรรมนั้นจึงเป็นเรื่อง ไม่ใช่วิสัยส่วนโลกกจินดาคิดเรื่องโลกเนี่ยนะคิดเรื่องโลกโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นคือคิดตามอํานาจของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าใครยิ่งคิดยิ่งฟุ้งอนะใครยิ่งคิดยิ่งฟุ้งอ่านะพวกกลุ่มมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกคือสัตว์โลกนะสัตว์โลกตายแล้วเกิดอีกหรือสัตว์โลกตายแล้วศูนเอ๊ถ้าตายแล้วเกิดอีกอตกอะไรตายลูกมันศูนกันแน่ถ้าคิดตามนั้นยิ่งเพี้ยนยิ่งแหละ ฟุ้งซ่านจริงๆแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยแหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเก็บมาคิดเพราะว่าคิดแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อแต่สรู้อะไรพปร่งจึงห้ามไม่ให้คิดเนี่ยเรียกว่า อ, าอาจินไตสี่ประการท่นที่จริงแล้วอย่างกรรมที่เป็นอจินไตเนี่ยครอบงำแม้กระทั่งฤทธิ์ที่เป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์กรรมยังมาครอบงำได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงอย่างอื่นพลันแรงแห่งกรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากก็บอกว่า บอกแรงเนี่ยตาแหลมคมมองได้ไกลมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแรงไปถูกบวงเข้าคนที่ดักบวงจับแรงก็เลยบอกไหนว่าเก่งนักไม่ใช่เหรอเันบอกว่าถ้ากรรมมันให้ผลเนี่ยมันทําให้คนมืดบอดก็ว่า ง, งั้นทำให้ตาเนี่ยมืดบอดคนที่ฉลาดฉลาดหลายๆคนเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะอะไรเพราะกรรมมันให้ผลเวลากรรมมันให้ผลมันจะทําให้มืดบอดไปหมดเลยทําให้นึกอะไรไม่ออกทําให้ไม่เรียกว่าฉลาดแต่ไม่รู้จักเฉลียวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว พอเวลากรรมมันจะให้ผลมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเรียกว่าปลาใหญ่ตายน้ําตื้นมันคล้ายๆจะเป็นแบบนั้นจริงจรงอ่ะหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นปัจจัยแต่ว่าในบรรดาเรื่องกรรมก็ไม่ใช่เอะอะทุกเรื่องโยนให้กรรมไปทั้งไปทั้งหมดก็ไม่ใช่อย่างร่างกายของเราอาภาษทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดจากกรรมอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเจ็บป่วยในร่างกายก็เกิดจากอะไรบ้างบริหารอิริยาบถไม่สม่ําเสมอหรือว่าเพราะอุตุเพราะเสมภะเพราะอิริยาบถหรือว่าหลายๆอย่างประชุมกัน เป็นต้น น, นะนะเพราะนนั้เหตุปัจจัยที่ทําให้ปว่วยเราจะไปะโยนให้กรรมทั้งหมดก็ไม่ได้แต่จะทิ้งเรื่องกรรมไปทุกเรื่องไปเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหาความพอดีให้พบเนี่ยนะในเรื่องของกรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรให้ค ว, ความสําคัญระดับหนึ่งเพราะว่าเรื่องกรร ม, มวัดปีตากาวัดกิเลสวัสดก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาแต่จําไว้ว่าเราจะไม่รู้ละเอียดเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้เพราะไม่ใช่วิสัยแต่เพียงแต่รอบรู้ในเหตุกับผลได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง มันไม่เล่นถ้าปัญหาครั้งนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะ